เพรนะธรรมะที่อยู่ในระหว่างจิตเจตสิกก็ไม่มีะนะระหว่างนะระหว่างอะไรที่ไปขั้นอยู่ระหว่างจุติกับปฏิสนธิก็ไม่มีเขาจึงเรียกว่าเป็นอนันตรัปรย์ใจเนี่ยนะจิตสองดวงเหล่านั้นไม่มีระลอกคลื่นมันไม่ใช่เหมือนคลื่นมันสะท้อนสะท้อนแบบระลอกต่อๆๆ ต, ต, ต, ต่อกันไปแบบนี้นะไม่เหมือนระลอกคลื่นนะจะมีจิตอะไรอะไรไปจากจุติจิตที่ไปสู่ปฏิสนธิก็าหาไหม่แต่ว่าปฏิสนธิจิตก็เกิดได้เลย เออมันเกิดได้อย่างนี้แหละใช่ไหมก็อย่างว่านะวิถีจิตสุดท้ายเรียกว่า ม, มรณาสันนวิธิน่วงอะไรเป็นอารมณ์ปฏิสนธิจิตก็มีสิ่งเดียวกันเป็นอารมณ์พอจุติจิตดับไปกรรมในอดีตก็เป็นนานาขาคณิกักรรมมะปัจจัยให้แกอะไรปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาติพิทุกขาก็หยั่งลงชาติก็หยั่งลงชาราก็ติดตามพญาที่ครอบงำ ม, มรณ า, าก็เอาไปตดัดคอ ไปเผาอย่างเงี้ยน ะ, ะทีนี้ย้อนกลับมาว่าเหมือนอย่างว่าออย่างเอาเป็นเป็นเลยนะจากขู่ทวารวิถีมันก็เกิดเฉพาะแค่จากขูทวารวิถีโสตทวารวิถีมันก็อยู่แค่โสตทวารวิถีแล้วมันเดินทางมาหากันยังไงดูทีวีเนี่ยนะฟังด้วยใช่ไหมทั้งดูทั้งฟังแล้วจิตมันทํางานสลับกันยังไงมันไหลไปทีละทวารทีละทวารทีละทวารเนื่องด้วย มนาสิการ์ที่เป็นไปเพราะในโลกของกระแสของจิตนี้ก็เป็นอย่างนี้นะก็ต้องนะใครที่จะศึกษาในรายละเอียดนี้ก็มีอะไรให้ศึกษาอีกเยอะมากมนะแล้วก็การศึกษาอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่ายาตาปริญญาบริบูรณ์ที่ไหนอยู่ที่บริบูรณ์โดยสามารถกำหนดจุติและปฏิสนธิได้อ่า น, นะก็พักสักครู่ก่อนนะ สองโมงครึ่งนสะิบนาทีอนาทีพอแล้วอะอ่แล้วก็วันนี้จะไปไหว้วัดบวรพระธาตุวัดบวรนี่เขาเปิดเฉพาะปีใหม่นะปกติไม่ไม่เปิดพระธาตุนนะวันวันนี้จะก็ความในวิสุทธิมรรคหน้าห1อดข้อห9 1้าอด กล่าวว่ายานกำหนดปัจจัยของนามรูปของภิกษุผู้มีธรรมะทั้งปวงปรากฏด้วยอำนาจแห่งจุติและปฏิสนธิตามประการดังกล่าวมานี้ย่อมเป็นธรรมชาติที่มีกำลัง <c oughs> คำว่ามีกำลังหมายคึงว่าผู้ที่มีปัญญาระดับนี้นี้สามารถที่จะไปพิจารณาคุณธรรมระดับสูงต่อไปได้นะนั้นคนที่พิจารณาเรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตาเนี่ยนะ จะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ของเรื่องจุติปฏิสนที่เป็นอย่างดีมองออกเลยว่าไอ้จุติปฏิสนที่ในภพใหม่เป็นอย่างไรจุติจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งเป็นไปได้อย่างไรกรรมเหล่าไหนไปนําเกิดกรรมเหล่าไหนไปอุปธรรมกรรมเหล่าไหนเข้าไปเบียดเบียนกรรมเหล่าไหนเข้าไปตัดรอนแล้วกรรมไหนให้ผลในชาตินี้ชาติหน้าเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งสามารถวิเคราะห์จําแนกแจกแจงได้ได้จนไม่สับสนไม่ยุ่งเหยิงไม่วุ่นวายนะ็นไห วันยางสมัยใหม่ที่มันมีปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยนะอ น, นิจจังโดยที่ไม่รู้กฎเกณฑ์อะไรเลยขึ้นต้นก็อ น, นิจจังเลยเพอขึ้นต้นด้วยอ น, นิจจังเลยจึงตามมาด้วยอุเฉททิฐิเนี่ยนะโดยมากจึงเป็นอุเฉททิฐิอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาโดยที่ไม่รู้จุติปฏิสนธิไม่รู้ปัจจัยไม่รู้กรรมและผลของกรรม น, นะจะตามมาด้วยมิจฉาทิฐิเมื่อเป็นมิจฉาทิฐิก็เริ่ม เริ่มเกลียดธุรีลงในศาสนานการรอบรู้ในจุติและปฏิสนธินั้นจึงสำคัญมากถามว่าจุติปฏิสนธิของใครตามมาสโกโมหิทุกอย่างเป็นไปตามอันนคำว่าก็คือโดยโวหารก็เรียกว่าชื่อว่าของเรานั่นแหละเพราะว่าถือว่าเป็นสมบัติของตนเพราะภายในตนเราต้องมองให้ออกนะว่าชีวิตของเราจุติปฏิสนธิไปอย่างไร อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมแล้วการเกิดในภพใหม่อะไรเป็นประตูแห่งสุขคติอะไรเป็นประตูแห่งทุกคติอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปนะส่วนเหล่านี้จะต้องแม่นยำอย่างมากเนี่ยนะพอกาหนดแยกแยะได้อย่างนี้แล้วความสงสัยในสามชาติจะมีไหมอดีตชาติอนาคตชาติและปัจจุบันชาติเพราะแยกแยะออกหมดแล้วว่าชีวิตทั้งหมดคือขันห้า อายตนะสิบสองธาตุสิบปขันธาตุอายตนะเหล่านี้เกิดจากปัจจัยปัจจุบันชาตินี้ขันอายตนะธาตุเหล่านี้เกิดจากปัจจัยแม้ในอดีตขันอายตนะธาตุเหล่านี้ก็เคยเกิดจากปัจจัยอนาคตต่อไปขันธาตุอายตนะที่เกิดขึ้นในภบใหม่ก็เพราะเหตุและปัจจัยตัวปัจจัยหลักๆเนี่ยนะคืออะไรคือสมัยใหม่เนี่ยยกคําว่าปั จ, จัยเอาไว้ข่มกันอันใด ทุกอย่างโยนให้ปัจจัยหมดเลยปัจจัยไหนล่ะปัจจัยไหนที่ทำให้เกิดในภพใหม่อวิชชาตันหาอาวิชชากับตันหาเป็นเหมือนกับแม่ที่ทำให้เกิดในภพใหม่กรรมนี่เป็นตัวจำแนกภพใหม่จำแนกภพใหม่จำแนกอะไรจาแนกให้เกิดในนรกขุมต่างๆห้าร้อยกว่าขุมเนี่ยนะ กรรมนี่แหละเป็นตัวจำแนกให้เกิดในเปรตสิบสองประเภทกรรมนี่แหละเป็นตัวจำแนกให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสองพวกพวกไหนพวกเกิดในน้ำและบนบกใต้ดินอีกต่างหากแล้วก็กรรมนี่แหละเป็นเครื่องจำแนกให้มาเกิดเป็นมนุษย์เผ่าพันธ์ตัางหลายแหละกรรมนี่แหละเป็นเครื่องจำแนกให้เกิดในเทวดาชั้นต่างๆไล่แต่พุทธเทวดา เทวดาชันจาตูมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีและปาริ ม, มิตร ว, วัสวดีกรรมนั่นแหละเป็นเครื่องจำแนกให้เกิดในพรหมโลกเกิดในอารูปพรหมแต่ว่าทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปในวะตะัตฏะเหมือนกันหมดคือมีอวิชชาและตัณหาเป็นเหมือนแม่พาไปเกิดนะภพภูมิต่างๆนั้นการเกิดในภพภูมิต่างๆนั้นเนี่ยนะ สิ่งเหล่านี้มันเป็นเป็นวัตตะมันวนมันโยงกันอยู่อย่างนี้จากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งอีกไม่นานแล้วหนอมนุษย์จะกลายเป็นอดีตสําหรับเรามนุษย์ในภพนี้นะอีกกี่ปีดีอ่าอีกไม่กี่ปีก็จะรู้ว่าชาตินี้เนี่ยนะที่เราไม่ได้ฟังคำเนี่ยจะเป็นปุบเพกระตุญญาตาแล้วนะจะแต่อะไรนะเป็นบุญที่ทําไม่ดีแล้วในชาติก่อนเนี่ยนะชาติก่อนอคือชาติหน้านะชาติหน้าท่านนึกว่าเออเราทําเหตุไปแล้วอย่างเงี้ย อีกไม่นานก็เป็นอย่างนี้จริงๆก็เชื่อมไปถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็อมนุษยชาติที่แล้วอย่างง้นะผู้ที่กำหนดปัจจัยได้อย่างนี้ได้เป็นอย่างดีว่าการเกิดในพบต่างๆเป็นไปตามปัจจัยพบเหล่านี้แบ่งเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันปัจจัยของอดีตก็อย่างหนึ่งปัจจัยของปัจจุบันก็อย่างหนึ่งปัจจัยของอนาคตก็อย่างหนึ่ง ทีนี้ไอ้ปัจจยุบันคือผลขันธ์อายตนะธาตุของชาติหนึ่งไม่มาสู่ชาติหนึ่งอีกชาติหนึ่งไม่มาสู่ชาติหนึ่งแต่กรรมที่ดับไปแล้วเป็นปัจจัยนะกรรมที่ดับไปแล้วเนี่ยในอดีตชาติเป็นปัจจัยดวงที่1ก็เป็นทิฏฐธรรมดวงที่7ก็เป็นอุปัชะเวทนียกรรมดวงที่สองถึงดวงที่6ก็เป็นปราปริยะเวทนิยกรรมมันถ้าเข้าใจได้อย่างนี้ก็วิจิกิจฉาทั้ง16ก็จะถูกละได้เป็นอย่างดี ไม่ใช่เฉพาะละความสงสัย16อย่างนั้นแต่ส่วนเดียวเท่านั้นแม้ความสงสัย8อย่างที่เป็นไปโดยนัยยว่าสงสัยในพระพุทธเจ้าก็ไม่สงสัยจะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าเลยนะถ้ากำหนดจุติและปฏิสนธิทำไมจึงไม่สงสัยรู้หบอกถ้าไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งไปอบายแน่ไม่สงสัยเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยเราปิดอบายได้จริง และพระพุทธเจ้ารู้เหตุผลรู้กฎเกณฑ์ของวัตตะเหล่านี้พระองค์จึงบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่พาสัตว์ให้ข้ามจากชาติชรามรณะเป็นต้นเนียนะเคยเคยได้ยินคําว่าศาสถาเทวมนุษย์านะาศาสนาไหมศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายาศาสดาถ้าโดยศัพท์นี้แปลว่าผู้สอนผู้สอนประโยชน์โลกนี้ผู้สอนประโยชน์โลกหน้าและสอนประโยชน์อย่างยิ่งในความหมายในที่หนึ่งในที่สอง พระองค์นี้ชื่อว่าเป็นนายนายอะไรนะถ้าเป็นหมู่เกวียนที่เรียกนายศรัทธาก็คือหัวหน้ากองเกวียนหัวหน้าหมู่เกวียนหัวหน้าหมู่เกวียนทั้งหลายพากองเกวียนให้พ้นจากกันดานกันดานโจรกันดานน้ากันดานอาหารเป็นต้นเนี่ยนะนายกองเกวียนผู้ฉลาดพาลูกทีมข้ามจะออกจากกันดานได้ฉันใด พระศาสดาของเราก็ชื่อว่าเป็นผู้นําหมู่นําไปไหนนําออกจากชาติกันดารนําออกจากชรากันดารพญาทีกันดารมรณะกันดารถ้าใครเข้าใจกฎเกณฑ์ของจุติปฏิสนธิอย่างนี้ดีนะไม่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นไม่มีแล้วไม่สงสัยในคุณด้วยนะว่าทําไมพระองค์เนี่ยจึงจึงเกิดดีเพราะเอาพระพุทธเจ้ามาทําปริญญาด้วยพระปริญญาอย่างไรทําปริญญาแม้กระทั่งว่าปฏิสนธิของพระองค์คืออะไร ปฏิสนธิของพระพุทธเจ้าเองนะก็คือมหาวิบากญาณสัมปยุตดวงที่หนึ่งนำเกิดแล้วพระองค์นี้ก็อาศัยพื้นฐานที่บุญที่สั่งสมไว้ดีแล้วเป็นอุปนิสัยให้พระองค์เนี่ยบ่มพยานจนสามารถตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแทงตลอดอริยสัจดับกองทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงอันนั้นสิ่งที่พระองค์สอนจึงสอนเราเพื่อออกจากทุกข เพราะอะไรเพราะพระองค์พ้นจากทุกข์แล้วจึงมาสอนให้สัตว์อื่นพ้นจากทุกข์ด้วยพระองค์ข้ามพ้นจากชาติชารามรณะแล้วพระองค์จึงมาสอนสัตว์อื่นให้พ้นจากชาติชารามรณะด้วยจึงไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าผู้ผู้พาเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามพ้นจากโขขาเราจะไม่นึกเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนนี้มีประโยชน์เบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นต้นไม่มีนะนะประโยชน์เบื้องหน้าเบื้องหลังคือมหาพูดเนี่ยนะเพราะพระองค์ไม่ได้เอาอริยสัตว์เหล่านี้มาค้ามหาพูด แต่เอากุศลธรรมเหล่านี้เอาคำสอนเหล่านี้บริสุทธ์เพื่ออะไรเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์จากวัตตะนั่นเองฉะนั้นจึงไม่สงสัยในพระคุณโดยประการทั้งปวงแต่ไม่สงสัยในคุณกับรู้คุณนี่คนละอย่างใช่ไหคย อ, อย่างนี้ว่าปัญญานี่มีขอบเขตไม่สงสัยในพระพุทธคุณแต่ไม่ได้แปลว่ารู้พุทธคุณสิ้นเชิงแต่ว่ารวมๆแล้วก็ไม่สงสัยเลื่อมใสเลยนะนึกแล้วก็เลื่อมใส ถ้าคนที่สงสัยเนี่ยนึกแล้วไม่ผ่องใสนั่นเรียกว่าสงสัยผู้ที่มีผู้ที่มีปัญญากำหนดปัจจัยอย่างนี้ได้ก็จะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในอริยสัจธรรมเพราะอย่างน้อยที่สุดฟังแล้วสองข้อใช่ไหมทุกขสั์กับสมุทยัทยสั์เหตุปัจจัยเหล่านี้นี่ก็พอเข้าใจละถ้าดับสิ่งเหล่านี้ได้เป็นความดี ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนสอนให้ดับทุกเหล่านี้จึงไม่สงสัยในพระธรรมผู้ที่ปฏิบัติข้ามพ้นจุติและปฏิสนที่มีไหมมีจึงเลื่อมใสในพระสงฆ์ทั้งหลายก็สงสยัยไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพระสงฆ์ที่ข้ามพ้นจากชาติชารามรณะเหล่านี้ด้วยข้อปฏิบัติใดข้อปฏิบัตินั้นคือศิกขาสามจึงไม่สงสัยใน สิกขาสามเพราะอธิสีและสิกขาที่เปี่ยมบริบูรณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์ข้ามออกจากอะไรอบายสีได้นะศีนที่บริบูรณ์ข้ามพ้นจากอบายแต่ต้องเป็นศีนระดับมีนิพพานเป็นอารมณ์นจึงจะข้ามได้โดยเด็ดขาดเนี่ยนะนะแต่ถ้าศีนที่ยังไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์ก็ข้ามได้บางพบเท่านั้นไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยในไตรสิกขาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอน สงสัยในชีวิตของตัวเองในอดีตไหมไม่สงสัยสงสัยชีวิตในอนาคตหมไม่สงสัยสงสัยในชีวิตปัจจุบันไหมไม่สงสัยสงสัยว่าอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเป็นต้นไหมไม่สงสัยเพราะนั้นก็เลยกำจัดความสงสัยแปดประการสงสัยแปดประการคือทวนอีกครั้งหนึ่งนะสงสัยในพระพุทธสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงสงสัยในสิขา สงสัยในอดีตสงสัยในอนาคตสงสัยทั้งอดีตและอนาคตสงสัยปฏิจจสมุปบาทคือสงสัยกรรมวัดวิปากวัดและกิเลสวัดนั่นเองวันท้ากำหนดปัจจัยได้ถึงระดับจุติปฏิสนธิทําให้มีกําลังได้ก็ข้ามพ้นความสงสัยเหล่านั้นได้ทิฏฐิ62ที่มีพื้นฐานมาจากสัตตสัญญาก็ย่อมราบคาบออกไปทิฏฐิศูนสิบนี้เกิดจากสัตตสัญญานะ สำคัญหมายว่าเป็นสัตว์จริงๆสำคัญหมายว่าเป็นชีวะจริงๆอันนั้นคือต้นกำเนิดของทิฏฐิ62เพราะทิฏฐิหกิบสอก็เป็นอันถูกกาจัดออกไปเพราะได้ทำปริญญาในวัตถุแห่งทิฏฐิ62แล้วยานที่ตั้งอยู่ข้ามความสงสัยในการ3าเพราะการกำหนดปัจจัยของนามรูปโดยนนยะต่างๆอย่างนี้เพึงทราบว่าเชื่อว่ากังขาวิตรณวิสุทธิ ความบริสุทธิ์คือข้ามความสงสัยไว้ได้นะข้ามความสงสัยไม่สงสัยเลยกฎเกณฑ์ของชีวิตกฎเกณฑ์ของวัตตะโดยต่ทางข้าะหานใช่ไหมครับก็เปรียบเหมือนอย่างว่าเมื่อไฟสว่างก็มองเห็นรูปฉันใดทีนี้ไฟประเภทปุตุชนทั่วๆไปมันประเภทไฟติดๆ ด, ด, ดับๆนะ ตอนไฟสว่างก็ไม่สงสัยในภาพตอนที่ทําปริญญาอย่างนี้ก็ไม่สงสยัยเลิกทําปริญญาเมื่อไหร่ก็เอาอีกละนะเดินขบขม่าต่อไปเนี่ยนะมันก็เมื่อจุดไฟคือปัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นก็หายสงสัยไปแต่อย่าลืมนะอายโยนิโสก็ยังเข้ามาอีกถ้าสําคัญว่าเป็นสัตว์เมื่อไหร่ตามมาด้วยสัสตทิฏฐิและอุดเฉททิฏฐิอีกตามเดิมเนี่ยนะพันคนที่ศึกษาอย่างนี้ไม่ใช่จําไม่เลิกศึกษาได้นะ เพราะอีกพักหนึ่งไปได้อโยนิสโสมนัสิการไปได้พาปมิตรไปได้อะไรเข้าก็คืนสู่ภาวะปกติปกติอะไรปกติของปุถุชน น, นะนั้นก็ข้ามความสงสัยตราบเท่าที่ปัญญานี้มีอยู่ถ้ามีปัญญานี้อยู่ความสงสัยก็ไม่มีถ้าปัญญาเหล่านี้ปัญญาก็เป็นสังขารธรรมใช่ไหมเกิดจากอะไรปรโตโคสะและโยนิสโสมนสิการเลิกฟังธรรมเลิกโยนิสโสมนสิการสงสัยก็ตามมาอีก อถ้าอย่างนั้นความเป็นจุลปสดาปันนี่มันไม่เหมือนกับว่าได้แล้วได้เลยเหรอครับเป็นเดี๋ยวก็ไม่เป็นไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นนะครับคืออันนี้เราพูดถึงว่าคนที่เจริญกุศลได้ระดับนี้แล้วก็ไม่ละทิ้งความรู้เหล่านี้บริหารกุศลธรรมเหล่านี้ก็สามารถที่จ ะ, ะบรรลุมักเป็นจุลปสดาบันเนี่ยนะปิดอบายได้ แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะถามว่ากำหนดปัจจัยอย่างนี้ยังทูศีลต่อไปได้ไหมทำไมจะไม่ได้เนี่ยนะถ้าไปคบป่าประมิตรฟังอาสัตทํทำเข้ า, านะมีอโยนิโสมนสิการยังไงก็ยังเป็นอกุศลถ้ากล่าวตามในยะอื่นๆเนี่ยนะอย่าว่าอย่างนี้เลยแม้แต่ระดับวิปัสนาชั้นสูงยังเสื่อมนยนะยังเสื่อมถามว่าเสื่อมได้ยังไงก็ดูจากธรรมบทเนี่ยนะ พระพิสุหลายรูปในสมัยพุทธกาลเนี่ยได้ทั้งฌานได้ทั้งวิปัสสนาระดับสูงตอนหลังอโยนิโสมนสิการเกิดสขาลาเพศไปก็ถึงกับไปปล้นด้วยนะอย่าว่าระดับธรรมดาถึงกับไปปล้นดีว่าสมัยนั้นเป็นพุทธกาลพระพุทธเจ้ายังไปโปรดได้ในตอนปลายลูกศิษย์พระมหากระสปะนี่แหละนะนะพันสิ่งเหล่านี้ความรู้เหล่านี้เนี่ยนะถ้าประมาทก็คงช่วยอะไรไม่ได้นะก็เหมือนกับว่าให้ใ ห, ให้ให้ยาไปแล้วเนี่ยนะ หรือพูดแบบมีอยู่สูตรหนึ่งที่ที่พระองค์สอนสอนที่แควนกูรุอ่ะนะสูตรว่าด้วยว่าพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนหมอผ่าโลคสอนให้พอผ่าเสร็จแล้วก็ยังถือว่ายังมีแผลใช่ไหม ย, ยังมีแผลอยู่พระองค์ก็บอกแนะนําว่าเออแผลคุณต้องทําอย่างนี้นะดูแลตามการปกปิดตามการยาให้มันติดเชื้อถ้าติดเชื้อต้องรักษาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถามว่าถ้าคนไข้ไปประมาทในตอนหลังไง ก็มีสิทธิ์กลับมากำเริบได้อีกชั้นใดอย่างวิสุทธิมรรคที่เราศึกษาอยู่นี้เนี่ยนะก็เหมือนชั้นนั้นเพราะถ้าหากว่าเราตอนหลังไม่เคยเอาคําสอนเหล่านี้มาคิดเลยทิ้งคําสอนเหล่านี้ไม่มีโยนิโสมนสิการตามคําสอนก็ไม่มีอะไรรับรองเพราะโสดาปฏิมครคไม่เกิดเนี่ยนะเพราะโสดาปฏิมรคไม่เกิดเพราะฉะนั้นคำว่า ทางขาววิตรนาวิสุทธิหน้า น, นี่ถ้าเจริญได้จนถึงขนาดกำหนดปัจจัยโดยเฉพาะกำหนดปัดใจจัยในชีวิตเป็นจริงนะไม่ใช่กำหนดได้ตามตัวหนังสือความรู้เหล่านี้อยู่ในชีวิตจริงได้เมื่อไหร่นั่นแหละจึงจะเรียกว่าข้ามความสงสัยจริงๆเห็นธรรมะแล้วพบหมายควรเป็นที่ไหนดีเอาไม่สงสัยไม่ใช่หรอข้ามสงสัยแล้ว คำว่าธรรมติติยานธรรมะนี้เป็นชื่อของสภาวะธรรมนะทิติเป็นชื่อของปัจจัยธรรมติติยานก็คือยาน ท, ที่ที่ตั้งของธรรมเนี่ยนะหมายความว่าก็คือยานในการกําหนดปัจจัยนั่นเองยถาภูตยานการรู้เห็นตามความเป็นจริงสัมมาทัศน์การเห็นโดยถูกต้องก็ดีอันนี้เปก็เป็นไวยพจน์เป็นคําที่ใช้แทนคําว่ากังขาวิตรณวิสุท ธ, ธิ ข้อนี้สมจริงตามที่ท่านพระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ในคัำพีปฏิสัมพิทาว่าปัญญาในอันกําหนดปัดจจัยได้ว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารเกิดขึ้นเพราะปัจจัยธรรมทั้งสองนี้เกิดแล้วเพราะปัจจัยจึงชื่อว่าธรรมทิฏฐิยานคือสังขารเนี่ยนะเกิดจากอาวิชชาเป็นปัจจัยอวิชชาก็มีปัจจัยสิ่งที่เกิดจากปัจจัยเมื่อเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยแก่ธรรมอื่นอีกต่อไปเนี่ยนะ ผลสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างก็เกิดจากปัจจัยถามว่าเมื่อมนสิการว่าไม่เที่ยงย่อมรู้ย่อมเห็นธรรมะเหล่าไหนาตามความเป็นจริงถ้าคิดโดยความไม่เที่ยงมากนะเชื่อว่าสัมมาทัศนะอย่างไรสังขารทั้งปวงเป็นอันปรากฏชัดว่าไม่เที่ยงโดยคล้อยตามธรรมที่เห็นแล้วนั้นอย่างไรความสงสัยในธรรมเหล่าไหนา ย, ย่อมถูกละออกไป เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์เมื่อมนสิการว่าเป็นอนัตตาย่อมรู้เห็นธรรมเหล่าไหนตามความเป็นจริงชื่อว่าสัมมาทัศนะอย่างไรสังขารทั้งปวงเป็นอันปรากฏชัดว่าไม่เที่ยงโดยคล้อยตามธรรมที่เห็นแล้่นั้นอย่างไรข้ามความสงสัยในธรรมเหล่าไหนนะความสงสัยในธรรมเหล่าไหนย่อมถูกละไปตอบว่า เมื่อมนสิการว่าไม่เที่ยงย่อมรู้เห็นนิมิตตามความเป็นจริงนิมิตในที่นี้หมายถึงอะไรขันห้านิมิตคือรูปนิมิตคือเวทนานิมิตคือสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเห็นนิมิตคือขันห้าตามความเป็นจริงเพราะเหตุ น, นั้นจึงชื่อว่าสัมมาทัศนะเมื่อมนสิการว่าไม่เที่ยงเนี่ยเห็นขันห้าตามความเป็นจริงสังขารทั้งหลายทั้งปวง เป็นอันปรากฏชัดว่าไม่เที่ยงโดยคล้อยตามธรรมะที่เห็นแล้วอย่างนี้ความสงสัยในธรรมเหล่านั้นย่อมถูกละไปนี่ยอันถ้ามนสิยการโดยความเป็นของไม่เที่ยงมากก็ความสงสัยในธรรมเหล่านี้ก็ถูกละออกไปเมื่อมนสิการว่าเป็นทุกข์ย่อมรู้เห็นประวัติ ปวัตะหมายคำว่าอุปาทินนขันถ้าปวัตะคือความเป็นไปของ อ, อุปาทินากะขันหมายถึงขันที่คือวิบากกับกรรมชรูปเห็นความเป็นไปของวิบากและกรรมชรูปในภพต่างๆเนี่ยนะอันเมื่อมนุสิการโดยความเป็นทุกย่อมเห็นความเป็นไปแห่งวิบากและกรรมชรูปในวัตฏานี้มันเป็นทุกข์ใช่ไหมเห็นว่าการเกิด บ, บ่อยๆเป็นทุกข์ไหม เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ก็จะเห็นความเป็นไปแห่งขันห้าในภพต่างๆเป็นทุกข์เนี่ยนะเมื่อมนสิการว่าเป็นอนัตตาย่อมรู้เห็นนิมิตและประวัติตรตามความเป็นจริงคือเห็นว่าขันห้าและความเป็นไปแห่งขันห้าพร้อมทั้งเหตุเหล่านั้นเนี่ยนะมันมันเป็นอะไรมันเป็นอนัตตาใช่ไหมคือชื่อว่าขันที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะขออย่าแก่อย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าตายเป็นต้นได้ไหม ไม่ได้เพราะไม่มีใครมีอำนาจจัดแจงชาติชรามรณะได้จัดแจงได้คืออยากเกิดอย่างเดียวตามหลักคติพระพุทธศาสนาเนี่ยนะถ้าห้ามความแก่ห้ามความตายก็ต้องห้ามไปที่ความเกิดเพราะถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีใครทำอะไรได้เพราะอะไรเพราะชาติชรามรณะเป็นของปกติประจำโลกประจำสัตว์สังขารที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นโดยความเป็นอนัตตาเห็นนิมิตขันห้าเห็นความเป็นไปแห่งขันห้าตามความเป็นจริงเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าสัมมาทัศนะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอันปรากฏชัดว่าเป็นอนัตตาโดยคล้อยตามธรรมะที่เห็นแล้วอย่างนี้คือเห็นชัดเลยว่าธรรมเหล่านี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเช่นนี้เช่นนี้ธรรมเหล่านี้ว่างจากสัตว์บุคคลเหตุไม่มีในผลผลไม่มีในเหตุอาศัยเหตุผลจึงเกิดขึ้นธรรมเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปนี่นหละ ขันเหล่านี้ที่เกิดแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งสารพัดทุกข์แล้วก็ไม่มีผู้ใดมีอำนาจจัดแจงในสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงนั้นความสงสัยในธรรมเหล่านั้นก็ถูกละไปถามว่ายะถาภูตยานทัศนะอันใดก็ดีสัมมาทัศนะอันใดก็ดีกังขาวิตรณะอันใดก็ดีธรรมเหล่านี้มีอัตต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือว่ามีอัตเหมือนกันพยัญชนะที่เท่านั้นที่ต่างกัน ตอบว่ายะถาภูตยานทัศนะอันใดก็ดีสัมมาทัศนะอันใดก็ดีกังขาวิตรณะอันใดก็ดีธรรมเหล่านี้มีอัดเหมือนกันพยัญชนะเท่านั้นที่ต่างกันเพราะฉะนั้นท่านอยากจะเอามารับรองในหน้า62ที่บอกว่ากังขาวิตรณะวิสุทธิธรรมทิติยานยะถาภูตยา น, ยายานสัมมาทัศนะคือสิ่งเดียวกันต่างกันแค่คําพูดคือพยัญชนะเหมือนกันโดยอัถฐ ก็ภิกษุผู้เจริญวิปัสนาผู้ถึงพร้อมด้วยยานนี้ชื่อว่าเป็นผู้ได้ความโล่งใจในพระพุทธศาสนามีที่ตั้งมั่นมีคติแน่นอนเป็นพระจูลโสดาบัน น, นะก็ดีกาท่านนั่นถามว่าทำไมจึงอุปมาว่าเจึงเรียกท่านเหล่านี้ว่าจูลโสดาบันทำไมทำไมจึงปิดอบายได้ ก็ตอบว่าเพราะว่าท่านรู้ทุกขสัจจะด้วยการกำหนดนามรูปเนี่ยนะท่านรู้สมุทยัทยสัจจะโดยการกำหนดปัจจัยท่านเห็นมรรคสัจด้วยการมนานัสิการว่าไม่เที่ยงเป็นต้นเพราะตัวมรรคคือตัวปัญญาที่ไปมนานัสิการว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไอตัวตัวข้อปฏิบัติตัวปัญญาที่เข้าไปวิจัยนั้นเป็นเป็นมรรค ทีนี้ถามว่าท่านปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรอัทยาศัยของท่านน้อมไปไหนถ้าเห็นความเป็นไปแห่งวาตะาเห็นความเป็นไปในจุติและปฏิสนธิเนี่ยนะท่านก็ปฏิบัติน้อมไปในพระนิพพานนันอัธยาศัยของท่านจึงน้อมไปในพระนิพพานเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ที่เรียกว่าจูละโสดาบันเพราะแนวความคิดของท่านสอดคล้องต่อหลักอริยสัจเป็นอย่างดีหนึ่งท่านเห็นทุกว่าเป็นสิ่งที่ มีภัยใช่ไหมสองเห็นสมุทัยว่าน่ารังเกียจเนี่ยนะว่าเพราะเป็นเหตุแห่งภพเห็นการเจริญอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นว่าเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์แล้วก็อัธยาศัยของท่านน้อมไปในนิพพานโดยส่วนเดียวเนี่ยนะเนะี่ยขอถามน น, นะครับในตอนท้ายของปั จ, จิยะปริคหายานี้ท่านแสดงว่าเมื่อเมื่อมนสิ ก, การว่าไม่เที่ยงย่อม รู้ย่อมเห็นนิมิตตามความเป็นจริงซึ่งท่านก็แสดงว่าเป็นขันห้าแต่ถ้ามาณสิการโดยความเป็นทุกข์ก็จะเห็นประวัตตะตามความเป็นจริงหมายถึงวิบากและกรรมชฉลูมันก็คือขันห้าแล้วจะต่างกันยังไงครับคือต่างกันตรงที่ว่าเห็นความเป็นไปแห่งขันห้าในวัตตนะจึงเป็นทุกข์ไงว่าก็คิดดูง่ายๆว่าถ้าเห็นขันห้าเออขันห้ามก็ไม่เที่ยงไง ถ้าเห็นขันห้าขันนั้นเนี่ยนะเดินทางอย่างยืดยาวในวัฏฏานี่จะเป็นยังไงนะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าก็ต้องเป็นทุกข์อยู่แล้วเพราะเห็นว่าความความที่ขันห้าเกิดขึ้นขันห้าไม่เที่ยงแต่ขันห้าที่เป็นไปในกองทุกข์แหะที่เป็นไปตามภพต่างๆภูมิต่างๆแม้แต่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะสมมติให้เราเดินเท้าเปล่าข้ามไปทวีปอื่นเนี่ยนะจะเป็นยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยนะเห็นว่าขันห้าไม่เที่ยงแต่ไอสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่มันเป็นไป มันจึงเป็นภาชนะแห่งทุกข์แล้วก็ไม่มีใครมีอำนาจไปจัดแจงมันอะไรได้เลยนะจัดแจงว่าไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงขอจงเที่ยงไอ้สิ่งที่เป็นทุกข์นี้จงเป็นสุขไม่มีใครมีอำนาจในสิ่งนั้นเลยนะนะเพราะไม่มีใครจัดแจงความแก่และความตายได้นะจัดแจงว่าที่เกิดมาแล้วอย่าแก่ที่แก่แล้วอย่าตายไม่มีอำนาจอย่างแท้จริงนั่นทึงท่านจึงเห็นอนัตตานะนะ ในยานที่สองนี้ท่านเริ่มมนัสการพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกแป้นหน้าตาแล้วหรือครับตรงนี้ท่านโยงมาให้เห็นเพื่อที่จะยกประโยคที่สําคัญในหน้าหกสิบสี่ตรงย่อหน้านั้นนะท่านต้องการจะยกข้อความนั้นมายืนยันในหน้าหกสิบสองที่ว่ากังขาวิตรณวิสุทธิธรรมมิติยานยถาภูตยานสัมมาทัศนะเนี่ยคือสิ่งเดียวกันใช่ไหมะนะในวิสุทธิมรรคเนี่ยท่านก็ยกปฏิสัมพิธา ม, มารับสมอ้างว่าสิ่งเหล่านี้ ต่างกันแค่โดยพยัญชนะอัตถเหมือนกันคือคือต้องการยกตรงนี้มากกว่าแต่ทีนี้การที่จะยกมาท่านก็ยกข้อความมาสมบูรณ์เนี่ยเพราะว่าการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะไม่ใช่ต้องการศึกษาให้หยุดอยู่แค่กําหนดปัจจัยแล้วพอแต่เป็นการวางพระธรรมเพื่อให้ทําตีรณะปริญญาต่อไปเพราะว่าลักษณะของยาตะปริญญาก็คือการพิจารณานามรูปพร้อมทั้งปัจจัย สามารถกําหนดน้ํารูปในจุติปฏิสนธิและก็ปัจจัยแห่งจุติและปฏิสนธิความเป็นไปในวัตตะได้เนี่การกําหนดเหล่านี้เนี่ยนะก็เพื่ออะไรเพื่อจะให้เห็นว่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกร่ําไปเนี่ยนะการเกิดบ่อยๆเป็นทุกร่ําไปความเป็นไปในวัตตะทั้งหลายเป็นทุกร่ําไปแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเหตุของการเกิดในวัตตะคืออะไรก็คือความเพลิดเพลินในวัตตะ ส่วนการมนสิการโดยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นการมนัิการเหล่านั้นคือข้อปฏิบัติให้พ้นจากวัตตะเพราะท่านมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อวิวัตตะนะด้วยเหตุผลอันนี้ท่านจึงเป็นพระจูลโสดาบันเพราะท่านยังถึงทิศทางแห่งอริยสัจคือเข้าใจกฎเกณฑ์แห่งอริยสัจเป็นอย่างดีนะถ้าเพราะว่าการเป็นพระโสดาบันแค่กําหนดว่าเออนี้ปัจจัยอันนี้ไม่สามารถที่จะพ้นไม่สามารถที่จะดับ ทุกได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอย่างวิชาทางโลกเนี่ยนะเขารู้ปัจจัยเยอะนะเช่นถ้าแต่งสีให้สวยเนี่ยเป็นสามารถเป็นอา ร, รมณะปัจจัยและเป็นอุปนิสัยอย่างดีของตัณหาถามว่าพอไหมอย่างพวกสอเสียดนะพวกนี้รู้ปัจจัยเป็นอย่างดีถ้าว่าคนนี้แล้วคนนี้จะไปบอกคนนั้นแล้วคนนั้นจะเชื่อมไปหาคนโน้นแล้วเรื่องนี้มันจะพังหมดเลยอย่าง น, นีถามว่าไอ้รู้ปัจจัยแบบนี้ปิดอบายได้ไหมไม่ได้ พัการรู้ปัจจัยที่กําหนดปัจจัยแล้วเป็นพระจุลโสดาบันเนี่ยคือสามารถกําหนดปัจจัยแห่งจุติและปฏิสนธิคนที่รู้ปัจจัยแห่งจุติและปฏิสนธิเนี่ยนะเข้าใจเลยว่าตัวที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรปฏิสนธิแล้วปฏิสนธิเกิดได้ยังไงเพราะมีกรรมเป็นปัจจัยทีนี้อารมณ์ของปฏิสนธิคืออะไรก็คือกรรมนิมิตคตินิมิตและกรรมมะอารมณ์ถ้ามณสิการอย่างเนี่พบใหม่ควรจะเป็นอะไรใช่ไหม พวกนี้รู้อยู่แล้วว่าถ้าคิดแบบนี้เนี่ยไปไหนดีเพราะพวกนี้จะเพียรพยายามเพื่อที่จะกําจัดจุติและปฏิสนธิทำที่ให้พ้นจุติปฏิสนธินั้นก็คือพระนิพพานเนี่ยนะดังนั้นท่านจึงเจริญคุณธรรมชั้นสูงเพราะคนที่กําหนดปัจจัยได้ขนาดนี้เนี่ยเชื่อว่าไม่หยุดอยู่เท่านี้นะยังไงก็ไม่หยุดจะต้องภาคเพียรที่จะเจริญคุณธรรมชั้นสูงต่อไปเพราะยังไงก็รู้อยู่แล้วว่า แบบบทสวดมนต์ที่เราสวดนะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงําแล้วโดยความเกิดโดยความแก่และความตายโดยความโศกความร่ําไรรําพันความไม่สบายใจความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายานะทำชฉไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้อันนี้คืออัธยาศัยของท่านเมื่อท่านมีอัธยาศัยที่น้อมไปเพื่อจะดับกองทุกข เมื่อมีอัธยาศัยอย่างนี้แล้วท่านจึงภาคเพียรในการเจริญคุณธรรมเพื่อดับจากกองทุกข์เชื่อเลยว่าใครที่กําหนดรู้ปัจจัยแห่งจุติปฏิสนธิได้กําหนดรู้ปัจจัยแห่งพบใหม่เนี่ยนะซึ่งในโลกที่เต็มไปด้วยปัจจัยแห่งอบายภูมิเนี่ยนะเขาจะต้องภาคเพียรพยายามโดยเฉพาะกุศลศีลใช่ไหมอย่างกรรมที่ทําให้ไปสู่อบายทุกติวินิบนะัติน่ยเราก็คือความทุศีลปัจจัยแห่งมนุษย์สุขติโลกสวรรค์ก็คือ อันนะกุศลศีลทั้งหลายเพราะศีลเหล่านั้นของท่านจึงดีท่านเหล่านี้เป็นผู้มีหิริและโอตตะปะแล้วในขณะเดียวกันก็ไม่รู้จะทําบาปเพราะเหตุแห่งอะไร น, นะคือถ้าถ้าเข้าใจเป็นอย่างดีนะเพราะนี้พูดแบบคนที่สมบูรณ์ส่วนผู้ที่ยังไม่สมบูรณ์ละ่ะก็พยายามอ บ, บรมจนกว่าวิสุทธิเหล่านี้จะบริบูรณ์เนี่ยนะรับทุกอารมณ์ทุกอารมณ์ก็สามารถกําหนดปัดจจัยแห่งจุติและปฏิสนธิเนี่ยนะ อารมณ์ใดเป็นอารมณะปัจจัยของปฏิสนธิอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณะปัจจัยของจุติด้วยเนี่ยนะใช่ไหมสมมติถ้ามีดอกไม้เป็นอารมณ์ตอนจุติจุติตัวนั้นตอนท้ายสุดปฏิอ่าขออภัยถ้ามีดอกไม้เป็นอารมณ์ตอนปฏิสนธิตอนจุติก็จะมีดอกไม้เป็นอารมณ์อีกเนี่ยนะในพบหนึ่งนะนั้นถ้ากําหนดปัจจัยได้อย่างนี้แล้วพบใหม่อีกต่อไปละ่ะถ้ามีสิ่งใดเป็นอารมณ์สิ่งนั้นจะเป็นอารมณะปัจจัยของ ปฏิสนธิและจุติด้วยมันก็สามารถกําหนดจนคิดทุกอย่างให้เป็นกุศลเนี่ยนะคิดเป็นกุศลแล้วที่แต่ที่ท่านต้องการจริงๆคือดับเหตุแห่งวัตตะเนี่ยนะเพราะนั้นอารมณ์ทุกอารมณ์นี้ท่านเอามาทําปริญญาโดยเฉพาะยาตะปริญญากําหนดรอบรู้ปัจจัยได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะก็คือความมั่นใจว่าตัวเองปิดอบายได้หรือไม่เนี่ยนะรู้ได้เฉพาะตัวเอาอะไรเป็นเครื่องรับรอง ขณะที่เรากําหนดนามลูกพร้อมปัจจัยนี้นะในขณะนั้นก็พระโยคาวจาจอนก็เห็นเห็นความไม่เที่ยงหรือว่าเห็นตรีนนปิญญาก็ก็เห็นไปในขณะนั้นเลยคําว่าไม่เที่ยงเนี่ยนะอย่างชรามรณะมีอะไรเป็นปัจจัยเอ้ชรามรณะเนี่ยนะชราคือทุกขลักษณะมรณะคืออนิจจลักษณะอยู่แล้วเนี่ยนะ คือการวางพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยน ะ, ะเป็นวิชาที่วางระดับล่างเพื่อระดับสูงเพราะฉะนั้นทุกสูตเนี่ยนะบอกชาติปั๊จะต่อด้วยชารามระโสกะปริเทวะทุกขโทมณตและอุปายาตชาติชรามระโสกกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตคาเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเอาโตมาจับคืออะไรชาติธรรมโตพยาทีธรมม ร, ธรมโตมระธรรมโตโสกกะธรรมโตเป็นต้นนั่นเอง พันนั่นคือตีระณะปริญญาแล้วท่านวางรูปแบบตีระณะปริญญาให้เห็นแล้วแต่โดยมากเน้นอ น, นิจจลักษณะกับทุกคลักษณะนักศการถามพระอาจารย์ค่ะพอดีวันก่อนนี้คุณชินถามโยมว่าถ้าพิจารณาเห็นเป็นนามรูปนี้เป็นวิปัสสนาหรือยังแล้วโยมก็ตอบคุณชินว่าถ้าอย่างนั้นไม่เป็นวิปัสสนาต้องเป็นเห็นเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกอนัตเป็นอนัตตา พราะยมเข้าใจว่าปัจจัยที่หนึ่งที่เห็นเป็นนามรูปและปัจจัยที่สองเห็นเป็นปัจจัยถ้าเราเห็นแค่นั้นเห็นเป็นนามเป็นรูปก็เหมือนที่เทคนิคสมัยใหม่เขาสแกนเม็ดสีออกจนเห็นเป็นเม็ดเม็เมเมดแยกจากกันอันนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าต้องเห็นนามรูปนั้นแล้วก็ต้องน้อมไปเห็นเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยหรือแม้แต่ปัจจัยก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยแล้วยมก็เลยตอบคุณชินแบบนั้นว่าจะเป็นวิปัสสนาก็ต่อเมื่อต้องเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนอตา ไม่ทราบว่าตอบแบบนี้ถูกหรือเปล่าคะกท็ทั่วไปเนี่ยนะถ้าพูดตามพระไตรปิฎกโดยมากเนี่ยวิปัสสนาจะใช้กับปัญญาที่เห็นอ น, นิจจะลักษณะเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะถ้าเบื้องต้นนะกำหนดนามรูปพวกนี้โดยมากจะเรียกว่าเจริญสถิสติเนี่ยนะหรือเจริญความเห็นเนเถอะเจริญยะถาภูตายานาัทสนรู้เห็นตามความเป็นจริงก็คือจะใช้คาเหล่านี้นะผู้มีจกักษุย่อมเห็น คือคือจะใช้แบบนี้จริงๆคําว่าจักสุกกับคําว่าวิปัสสนาก็เป็นไวโพดกันเนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันนั้นระดับคัมภีร์ระดับสูงจะไม่ค่อยเรียกาการกําหนดนามรูปพร้อมทั้งตัดใ จ, จว่าเป็นวิปัสสนาไม่ค่อยนิยมนะก็มีบางบางคัมภีร์ที่นิยมเรียกคือวิปัสสนาอภิธรรมมัทสังฆะนะอภิธรรมมัทสังหะจะเรียกไหนนะไหนไหนะวิสุทธิมรรคก็ไม่เรียก ก็อันนี้ก็หน้าหกสิก็บอกนีวิปัสโกเนี่ยครับก็ภิกษุผู้เจริญวิปัสนาเนี่ยในยานขั้นนี้ครับยังเรียกว่าผู้เจริญวิปัสนาเนี่ยไม่ทราบว่าแปลตรงกับวิปัสสโกหรือเปล่าครับพี่ทราบถ้าวิปัสนาเนี่ยนะถ้าเราพูดค anger, ําว่าวิปัสโกกับวิปัสนาเนี่ยนะวิปัสโกแปลว่าผู้เจริญหรือบางทีแค่อารัฐถวิปัสโกเนี่ยแปลว่าผู้ปรารบเพื่อการเห็นแจ้งอันวิปัสนาเนี่ยทั่วๆไปก็แปลว่าผู้เห็นแจ้ง แต่ถ้าเป็นชื่อเต็มเต็มเลยนะชื่อเต็มเต็มของอนุปัสนาชื่อเต็มเต็มของวิปัสนาก็คืออนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตานุปัสนาเป็นต้นเนี่ยนามรูปวิปัสนาเนี่ยไม่มีอันนี้ถ้าเราเอาเอาชื่อเต็มเต็มมาจับเลยนะแต่ทีนี้ว่าสิ่งเหล่านี้เรียกว่าวิปัสนาด้วยไหมเป็นบาทของวิปัสนาก็โอนอ่อนผ่อนตามว่าเป็นวิปัสนาไปด้วยแต่จะเรียกว่าเป็นนักวิปัสนาไปเลยมันก็ไม่ใช่อ่ะ แต่ถามว่าปฏิเสธว่าไม่เป็นบาทของวิปัสสนาก็ไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่วิปัสสนาแต่ตรงนี้เป็นพยัญชนะปัญหาไม่น่ า, ไ ม, นาไม่น่าสนใจที่บอกว่าไม่น่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่าถึงเราสนใจว่าเอ๊ะนี่วิปัสสนาหรือยังนี่หรือไม่ใช่วิปัสสนามันก็ไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกข์อะไรขึ้นเพียงแต่ได้เชื่ อ, อไว้ข่มกันแล้วก็เอาไว้ถกกันซึ่งมันกลายเป็นพยัญชนะปัญหาที่ที่อะไรนะมันสร้างความไม่สบายใจให้แก่ทั้งสองฝ่าย ก็าถกว่าเป็นวิปัสนาหรือไม่ก็ไม่ได้ช่วยให้ไปวิจัยมากขึ้นอะไรเนี่ยนะก็มาเล่นพยัญชนะกันและซึ่งซึ่งผมมาไม่ค่อยอยากจะพูดในสิ่งนี้แล้วก็มีคนถามว่าเออแล้วเจริญอย่างนี้เป็นวิปัสนาหรือยังหรือยังไม่เป็นบอกว่าไม่ต้องไปหนักใจเรื่ามันเป็นหรือไม่เป็นสําคัญว่าทํำยังไงจะคิดคําสอนให้มากที่สุดสาระจริงๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะจึงจึงไม่ควรมามาสนใจในลักษณะพยัญชนะปัญหาในลักษณะที่เรียกว่า ได้หรือยังเป็นหรือยังหรือยังไม่เป็นอะไรแบบเพศเนี่ยนะซึ่งไม่ได้ช่วยเพิ่มสิกขาอะไรสักเท่าไหร่ก็ถามประจารย์ว่าตะกิ้นี้อาจารย์บอกว่าเห็นแจ้งนี้คือเห็นแจ้งอะไรคะคือเห็นแจ้งไตรลักษณ์หรือเห็นแจ้งทั่วไปโดยมากถ้าเห็นแจ้งใช้ที่ใดเห็นแจ้งตัวนี้นะก็เห็นแจ้งโดยอนิจจังเป็นต้นอันนี้ละคือคำคำพูดเหล่านี้เนี่ยเป็นพยัญชนะปัญหา เพราะพยัญชนะเดียวกันเนี่ยใช้กับที่ต่างๆไม่เหมือนกันคําพูดทั้งหลายชื่อทั้งหลายเนี่ยนะอยู่ที่ความประสงค์ของผู้พูดถ้าเราอยากจะเอานามรูปเนี่ยเห็นนามรูปแล้วเป็นวิปัสนาแลว้วก็ไม่ผิดอะไรเพราะคําว่าวิปาาัสนาแปลอะไรวิปสะวิบวกปัสสะเนี่ยนะปัสสะก็แปลว่าเห็นวิก็แจ้งแล้วก็เห็นแจ้งแค่นั้นเองก็ผู้เห็นแจ้งเอาแจ้งแค่ไหนล่ะ แจ้งตอนแบบตอนเช้าๆตอนแจ้งแจ้งหรือเปล่าหรือตอนสายหน่อยหรือตอนบ่ายตอนจะเห็นแจ้งแค่ไหนล่ะและ้วก็ว่ากันไปะนะเพราะว่ามันเล่นสับไปแล้วจพอ